<c oughs> ให้พวกเราตั้งใจการทำภาวนานเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพวกเราไม่อดไม่ทนให้พวกเราคิดว่าเกิดชาติใหม่ถึงจะเจอพระพุทธเจ้าในชาติไหนก็สร้างทุกขเวทนาก็มีอยู่เหมือนเดิมอ่า ไม่ใช่ว่าสมัยพุทธเจ้าไม่มีความเจ็บความปวดทุกขเวทนานี่มันเจ็บมันปวดอยู่อย่างเดิมให้พวกเราคิดเอาตัวนี้มาใส่ถ้าว่าให้แกกว่านี้ก่อนยิ่งที่ว่าทรมานคนแก่นะคนแก่ก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ได้เห็นสติก็ที่ว่ามันก็สติก็เพ้อเผอนั่นแหละก็ไม่มีสตินั่นแหละถ้าแกมา อันนี้ะพวกเราที่มีโอกาสคนหนุ่มดีที่สุดหลวงพ่อว่าแต่คนแก่ก็ทำได้เหมือนกันแต่ช่วงคนหนุ่มเนี่ยมันก็นั่งก็ได้ทนกว่าคนแก่เพรา ะ, ะความเจ็บความปวดอยู่ในกายของตัวเองเนี่ยมันยังไม่มีอันนี้พวกเรานะ่โลกสารพัดที่เกิดขึ้นกับตัวของเราในปัจจุบันนี้ ในเราจะเกิดในยุคไหนก็สั่งมันมีทุกขเวทนาอยู่อย่างเดิมแต่ว่าเราจะคิดว่าชาติหน้าค่อยทำใหม่นคิดผิดเลยถ้าใครคิดแบบนั้นผิดอย่างไรล่ะความคิดผิดแบบว่าชาติหน้าเนี่ยอาจจะเป็นไ้ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดที่ไหนแล้วจะมีศาสนาไหมคำสอนของพระเจ้าเนี่เขาจะมีคนนับถือไหมในช่วงชาติหน้าของเรา ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเกิดที่ไหนในให้เราคิดแบบนี้เมื่อทุกขเวทนาเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ไม่พ้นมาแล้วมันต้องเจอมันต้องเกิดก่อนที่จะตายเนี่ยมันยิ่งปวดยิ่งทรมานให้เราคิดแบบนี้ต้องพยายามหาวิธีคิดคิดที่ว่าจะให้ตัวเรามีความอดทนนั่นแหล ะ, ะคิดแบบนี้คิดแบบที่ว่าคนอ่ะ ที่เรามาตายแล้วนะ่ะเรียกว่าปู่ย่าตายายของพวกเราที่ตายแล้วนะท่านก็เจ็บก็ปวดเหมือนกันนะแต่บัดนี้เราจะฝึกตายก่อนตายให้คิดแบบนี้วิธีฝึกตายก่อนตายจริงนี่ต้องเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตบอกตัวเองเลยว่าที่นี่คือที่ตายของเราถ้าไม่รู้ไม่เห็นศัตธรรมต้องบอกแบบนั้นเลยมันต้องยื่นคําขานให้มัน ถ้าเราน้อมไปหาความตายแล้วเนี่ยข้าวน้ำก็ไม่มีโอกาสจะได้กินวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีสำหรับเราไม่ให้เราคิดแบบนี้อันนี้แหละใจของเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปคิดไม่มีอนาคตของเรามันหมดเลยคือตัดความความกระตือรือร้นความอยากได้นั่นได้นี่ของเราทั้งหมดไม่มีเวลาจะไปกินข้าวกินน้ำหมดตัดไปเลยที่นี่คือที่ตายของเรา นหลวงพ่อเอาแบบนี้วิธีสู้กับทุกขเวทนาถ้าไม่เอาแบบนี้นี่ผ่านเวทนาไม่ได้เราต้องมีขันติขันติความอดทน <c oughs> ตัวขันตินี่ตัวสําคัญถ้าคนว่าไม่มีความอดทนแล้วเนี่ยก็ไม่สําเร็จสักอย่างจะทําอะไรก็ช่างเราทําการทํางานหรือว่าอะไรก็ช่างต้องมีความอดทน ต้องมีสติต้องมีความอดทนอันนี้แหละควรพยายามที่ว่าจะจ้องดอูจ้องดูที่ว่าใจของเราเนี่ยมันคิดเรื่องอะไรตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันอันนี้แหละ ส, สาเหตุที่ว่าส่วนมากมันก็ยังคิดว่ามีวันพุ่งนี้วันเมื่อรลือนเราคิดแบบนี้เราจะไม่ตายง่ายมันคิดยังมีเดือนหน้าปีหน้าไปเรื่อยถ้าคิดแบบนั้นนะใจของเรามัน มันไม่ลงอของหลวงพ่อก็หาอุบายใส่ตัวเองอคือได้กำไรจากครูบาอาจารย์ที่ว่าก็ได้เปรียบพวกญาติโยมที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยมีหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ขาวปู่อ่อนท่านอาจารย์มหาบัวให้กำลังใจนี่แหละหลวงพ่อได้เปรียบตัวนี้พอได้ยินได้ฟังเกิดความเกิดขึ้นมาเนี่ยมันดูหนังเน่าของตัวเองได้แล้วน่ะ ไปถึงหลวงปู่ขาวก็เป็นกระดูกได้แล้วเนี่ยไปถึงหลวงปู่อ่อนก็จิตดับไปเลยมันขึ้นเลยวันอ้าวจากวันนี้ต่อไปถ้าไม่รู้ไม่เห็นให้มันตายไปเลยความเจ็บความทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนก็สั่งใจของหลวงพ่อมันขึ้นเลยนะคนที่เขาตายปวดกว่านี้นี่ โยมเคยคิดไหมแบบนี้ของหลวงพ่อในขณะนั้นมันเอาแบบนี้เลยมันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็กลัวตายเหมือนกันมีความเจ็บความปวดเหมือนกันนะแต่ความที่ว่าใจฮึดสู้เนี่ยของเรามีไหมนะให้เราคิดตัวนี้อันนี้แหละเราต้องมีความฮึดสู้อ่าถ้าสติของเราอ่ามันไม่พร้อมเนี่ยอ่ามันต้องมีสมาธินะใจมันเป็นสมาธิก่อน มันจึงจะเห็นหนังเน่ามันจึงจะเห็นกระดูของตัวเองจิตมันเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วจึงเห็นตัวนี้ได้ถ้าจิตของเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านได้รู้ได้เห็นสัธจธรรมทำไมถึงท่านถึงทำได้ท่านก็เกิดมาจากคนเหมือนกันมีความโลภโกรธหลงเหมือนกันจิตของท่านก็คิดโลเลเหมือนกันมีความ วุ่นวายไหลลงไปที่ว่าไหลลงไปทางต่ําตามกามกินเกียรติพวกเราเวียนว่ายตายเกิดคือเราติดติดอยู่อย่างนี้เนี่ยที่มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดซาดแล้วซาดเล่าเนี่ยที่มาเกิดซาดนั่นก็ช่างละ่ะมันทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแย่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์เสียอกเสียใจร้องไห้สารพัดนั่นแหละความไม่สมหวังเป็นทุกข์ให้พวกเราคิดดีๆว่า มหาเศรษฐีเนี่ยจนก็ได้่าโจกเข็นใจเนี่ยรวยขึ้นมาก็ได้มันไม่แน่ชีวิตของเราที่จริงเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงวันไหนให้เราคิดแบบนี้วิธีคิดนะอ่ะมันมันหาวิธีคิดให้ให้ตัวเองนะของเราพอมันหาคิดว่าเอา้าจิตของเราทําไมมันจึงไม่รวมเราต้องแยกจิตออกจากกายของหลวงพ่อมันคิดเองนะเนี่ยคำคำแบบเนี้ย แต่ในช่วงนั้นน่ะไม่เคยได้ยินอันเทศแบบอันหลวงตามหาบัวเที่ยเทศที่กันที่ท่านประพฤติปฏิบัติยังไม่เคยได้ยินแต่มันมันบอกตัวเองว่าเราต้องแยกจิตออกจากกายน่ของลวงพมันเกิดมีมีความรู้แบบนี้เกิดขึ้นมาหาวิธีว่าทำอย่างไรใจของเราเนี่ยมันจึงจะผ่านเวทนาตัวนี้ได้เรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมารุนแรงเนี่ยวิธีสุกวิธีแก้ แก้ปัญหาของตัวเราครูบาอาจารย์หรือว่านายท่านเราไปฟังว่าคั้งพุทธกาลเนี่ยมันง่ายบางองเนี่ยสามเณรสารพัดนั่น ะ, ะพระศิวลีแบบนี้พระศิวลีเนี่ยที่ว่าเป็นลูกของอเสื้อมหากษัตย์นั่นะเสื้อลาดสวงนั่นแหละพระศิวลีก็เป็นในานามหลานของพู้ทเจ้านั่นแหละแต่บรารมีท่านมาก เวลาเกิดมาได้เจดวันเกิดมาได้เจดแปดวันแค่นั้นที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วนี่ไปกองน้าไปกองน้าถวายพระได้เลยคืออยู่ในท้องแม่นะเนี่ยจดปีอยู่ในท้องแม่เจดปีเกิดขึ้นมาแล้วนี่ยทำงานได้เลยนไปกองน้าใส่อ่้ใส่อะไรถวายพระเจ้าพระสงฆ์ในสมัยพุทธเจ้านั่น ภาษาลีบูตก็เลยถามาาที่มีความสบายหรือถามทํานองนี้ไม่สบายบอยู่ในท้องแม่ก็ทุกอยู่ในท้องแม่ก็ทุก อ, อยากบวชไหมล่ะาภาษารีบุตรถามถ้ า, าถ้าถ้าบวชได้ก็อยากจะบวชนะถ้าเหนื่อยทุกอยู่ในท้องแม่พระศิวลีพอแม่ได้ยิน แม่ได้ยินลูกชายของตัวเองพูดกับพระทรมเสนาบดีก็เลยถามไอเด็กนั้นพูดอะไรกับพระผู้เป็นเจ้าเด็กเขาอยากจะบวชเออให้บวชเลยแม่ก็เลยย่อมให้บวชเป็นแบบนั้นอันนี้แหละพอไปโกนผมบวชยังไม่ได้หมผ้าเหลืองนะ พอตกลงจะไปบวชแค่นั้นละ่ะเอามีดโกนโกนผมเนี่ยโกนผมเสร็จเป็นพระลังหันเลยอันนี้บุญบุญเยอะอ น, นั้นคนบุญเยอะไอ้พวกเราอย่าไปคิดแบบนั้นเราต้องทนต้องสู้อดสู้ทนความเกิดเนี่ยถ้าสมัยก่อนมันเกิดยากน ะ, ะไม่มีหมอไม่มีพยาบาลถ้าเราคิดแบบที่ว่าเกิดอยู่ในท้องทุ่งแบบ หลวงพ่อเนี่ยมันก็เสียงเป็นเสียงตายพ่อแม่แม่ก็เสียงตายลูกก็เสียงตายมันเกิดแบบนี้ความเกิดจริงเป็นทุกข์นะเวลาที่ว่าก่อนจะโตมาเนี่ยไม่รู้ว่าหาอะไรมาให้กินหมดข้าวไปไม่รู้ว่ากี่ยุ่งกี่สางไปแล้วอันนี้แหละให้เราคิดเอาอคนพวกเราเนี่ยที่สมัยใหม่เนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ไม่อดไม่อยากอาหารการกินไม่อดไม่อยากผ้านุ่งผ้าห่มไม่อดต่างกันต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมีผ้าสองสามผืนนุ่งผัดเปลี่ยนกันแค่นั้นทุกวันเนี่ยถ้าอายุ10ปีเนี่ยซุดของมันเนี่ยเป็นตู้นะเป็นตู้ไปเลยเป็นสองเข่งนั่นแหล ะ, ะเป็นสองามเข่งนั่นแหละ อันนี้แะมันต่างกันแบบนี้อาหารการกินสมัยก่อนเขากินอะไรว่าอยากจะกินขนมเนี่ยไม่มีไปเก็บลูกไม้เล็กๆตามป่าตามดอนกินแบบนั้นอันนี้มันต่างกันแบบนี้อาหารการกินไม่มีอาหารที่จะมาส่งถึงบ้านแบบนี้ไม่มีของซีพีแบบนี้อันนี้แหละความทุกข์ยากลําบากสมัยก่อน สมัยนี้เนะี่ยพ่อแม่สั่งเราเลยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสมัยก่อนพ่อแม่ก็อดอยากฮะนาก็ไม่ดีนะน ะ, นะทําำนา น, นี้แหละความแล้งความแห้งมันก็เป็นอยู่แบบนี้แหละปีบางปีมันก็ท่วมบางปีมันก็แล้งมันไม่สมหวังสักอย่างเนี่ยความผิดหวังเกิดอยู่บ่อยๆแต่พวกเราก็เดบไม่เก็บมาคิดเนี่ยความผิดหวังที่เราทําขึ้นไปแล้วเนี่ยอ ลงทุนไปปลูกผ ล, ลไม้เนี่ยคิดว่ามันจะได้เท่านั้นแสนเท่านี้หมื่นคิดแบบนี้พอพอปลูกแล้วเนี่ยตักกะแตนกินหมดก็มีไอไม่รู้ว่าเพี้ยตัวไหนแหละมันกินมันก็ไม่สมหวังมันก็คิดอยู่นี่แหละลงทุนไปเป็นแสนไม่ได้กินสักลูกก็มีปลูกลงทุนไปบางคนน ะ, ะคนที่โชคดีน่ะลงทุนนิดหน่อยเขาก็ได้ มีกำไรนะอันนี้ะอย่างปีนี้ก็ฝนแรงนะมันก็ขีดหวังอยู่นะนี่อันนี้ะโลกของเราเป็นอยู่แบบนี้แต่สมัยก่อนพ่อแม่ของพวกเราลำบากยากไม่มีอาหารซีพีสมัยนี้นี่จะสั่งเอาอะไรเขาส่งถึงบันไดถึงบ้านนะอันนี้แหละมันต่างกันแบบนี้อันนี้หละจะจะสมัยไหนก็สั่าง แอบปาซ่ามีตลอดตายอยู่อย่างนั้นละ่ะวันนั่นไปเผาคนนั่นวันนั่นเผาคนนั้น่นไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาใส่ซองมีเงินสาพณกิจศพแบบเนี้ยมีแอบต้องไปไปช่วยกันศพละเท่านั้นเท่านี้แบบนี้แอบมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละสมัยไหนก็ตายอันนี้แหละที่พวกเราคิดว่าที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานี่ไม่รู้ว่ากี่ล้านทักเขี่ยวแล้ว แต่ละคนละคนมันหลายล้านเที่ยวให้พวกเราน้อมม า, มาที่ว่าความทุกขเวทนานเนี่ยใจของเราเนี่ยเวลามันเกิดทุกเนี่ย<ม>เวลาเรานั่งสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยเราต้องมีความที่ว่าความคิดที่ว่าก่อนจะตายเนี่ยมันต้องปวดกว่านี้คนที่เขาตายปวดกว่านี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยยังไม่เท่าคนที่เขาตายคนที่เขาตายนี่มันทุกทรมาน ถึงกับว่าใจขาดตายนะีอันนี้เราก็อดไปเรื่อยๆอดทนอดทนไปเรื่อยๆดูเนี่แหละไม่ยอมขยับไม่ยอมเปลี่ยนอริยบทนั่งอยู่ท่าเดียวน้ําลายก็ไม่กืนนะของหลวงพ่อ น, นี่ไม่กืนน้ําลายแหมมันจะตายเอาตายเลยจะดูมันถ้ามันตายก็วิ ญ, ญญาณต้องออกจากล่างนะีจดจอดูเอ่อชื่อว่าวิ ญ, ญญาณของตัวจออกจากล่าง นีมน่มันมีวิธีของมันแบบนี้มันต้องเผ็ดร้อนไม่ใช่ว่าจะค่อยเป็นค่อยไปถ้าค่อยเป็นค่อยไปนี่หลวงพ่อว่ามันเราบุ ญ, บญไม่มากเหมือนกับข้ามพุทธกาลในั้าพุทธกาลพระทธเจ้าเทศกันเดียวเนี่ยเป็นพาาระลหันไปเลยเป็นพระโซดาบันไปเลย อ, อันนี้พวกเราไม่เป็นแบบนั้นแมชชิมาของพวกเราเนี่ยต้องอยู่เลยตายนายะ่ะต้องสละตาย ถ้าไม่สละตายใจของเรามันก็จังจะคิดว่าเราต้องจบนั่นจบนี่เรียนเกิดขึ้นมาแล้วต้องไปเรียนหนังสือต้องไปทำงานต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นมันมีความหวังเนี่ยถ้าเรายังมีความหวังว่าจะมีวันพรุ่งนี้อยู่เนี่ยจะมีลมหายใจอีกจะกินข้าวกินน้ำอีกอยู่เนี่ยคือคือมันมีความหวังถ้าตัดบทไปเลยเนี่ว่าข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายนั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายเนี่ยมันหมดโอกาส ใจของเราเนี่ยมันมันก็ตะล่มตะล่มตะล่มเข้ามาเนี่ยอันนี้มันมันจะเห็นใกล้ๆเข้าเลยนะถ้าทำแบบนั้นอันนี้แหละเาว่าเราห่างเนี่ยถ้าเราจะไปคิดเรื่องบุญกุศลอ่เราค่อยทำค่อยเป็นบุญเป็นอันนั้นค่อยไปเนี่ยอันนี้มันห่างหลวงพ่อว่าให้ให้ขยำ ม, มันเข้าไปเลยตรงไหนที่มันยึดติด เวลามันทุกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปยึดะสะโพก ข, ของเราจะเปื่อยนะมันว่าอ่เอาตายเลยเดี๋ยวมันเป็นอมตะพึกนะมันมันมันค่อยป้อนข้อมูลขึ้นมานะไอมายาของกิเลสก็คือใจเราหลวงพ่อไม่ใช่มาด้วว่าในที่สุดเนี่ยไม่เชื่อใจของตัวเองอไม่เชื่อใจของตัวเองอาศัยศรัทธาอาศัยศรัทธาความเชื่อแต่ในที่สุดเนี่ยไม่เอาอ่า ไม่เสื่อทั้งสิ้นความอยากอาศัยความอยากแต่ในที่สุดต้องตัดไม่เอาความอยากด้วยทิ้งทั้งความอยากไม่เอาสักอยาก่างเนี่ยต้องเป็นแบบนี้อันนี้แหละมันมันเป็นของที่ว่ามันอยู่คนละด้านฝามือเหมือนกับฝามือเรานี่ยมันอยู่คนละด้านกันเนี่ยถ้าใจของเรายังมีอัตราตัวตนเนี่ยเราจะยึดว่าของเราเนี่ยอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเราบ้านเราเรือนเรา ที่ดินเราคอนโดเราเนี่ยถ้ายังมีอัตราอยู่แบบนี้เนี่ยยังห่วงหน้าหัวหลังอยงู่ไปไม่ได้ต้องสละว่าไม่มีวันพรุ่งนี้สําหรับเราเราจะเป็นศพแล้วก็ดูเป็นให้ตัวเองเนี่ยเป็นศพปัจจุบันดูที่ว่าสมมุติขึ้นมาอะไรนะดูโดยสมมุติอันดับแรกนะดูโดยสมมุติสมมุติว่าตัวเองเนี่ยใจขาดแล้ว เ, เดี๋ยวก็ขึ้นอึศ ไม่มีใครมาม า, มาเจ็บมามาเจ็บศพไม่มีใครมาดูแลศพศพทิ้งอยูอ่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาแบบนี้อยู่คนเดียวมแมลงวันเนี่ยไม่มีวัดเชิญหรอกมันมาเองอมาไขใส่อนอนเนี่ยไหลออกตามช่องโหวซ่องจมกูกช่องปากเน่ยไหลเข้าไหลออกให้กำหนดแววนี่กำหนดในที่สุดมันอันอันดับแรกนี่ตัวเล็กๆนะ ไอ้หนอนเนี่ยตัวเล็กๆอยู่กําหนดไปเรื่อยๆให้มันกินไปเรื่อยๆมันตัวโตขึ้นโตขึ้นน้ําเหลืองของเรามันจะเยิ่มออกไปเรื่อยๆเยอะแล้วก็เนื้อหนังก็ที่ว่ามันก็แตกหนังท้องหนังอะไรเนี่ยมันก็แตกตัวหนอนก็ยัวย่วเยี่ยยัวย่วเยี่ยเต็มโตกําหนดทํานอง น, นี้กลัวที่มันจะเป็นดินเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเป็นโซ่โมงเป็นสซโมงนะจึงจะเป็นดินได้นะ แต่ถ้ า, ากิตของเราไม่มีสมาธินี่มันไม่เป็นจะกําหนด ว, ว่าให้เน่าเนี่ยมันก็ไม่เน่าของหลวงพ่อมันเป็นสมาธิอยู่แล้วของหลวงพ่ อ, อของหลวงพ่อคือว่าก่อนที่จะขึ้นไปนั่งพระรานัานเดินจมกลมไปเฉยเฉยเนี่ยเห็นมูขวางหน้าเฉยเฉยเนี่ยพุดขึ้นเลยสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำเกิดขึ้นมาตั้งอะไรตายทับถมพื้นแผ่นดินอยูน่นี่พร้อมกับตัวเราเนี่ย พอโลกพอมันมันเป็นสมาธิแล้วน่ะตัวนั้นพอมันเป็นสมาธิแล้วน่ะมันเห็นมันมันทางรู้ท้งเห็นที่มันเกิดมันเกิดมันมีความรู้ความเห็นพอมันรู้มันเห็นน่ะที่งูอยู่น่ะที่งูอยู่ขวางหน้านั่นกลายเป็นศพอ้าวอันนี้เป็นศพใครศพของเราแต่ซาตก่อนทําไมถึงตายแบบนี้ถูกเสือกัดทําไมถูกจึงถูกเสือกัดแล้ว อยากหนังเหนียวมันบอกว่ามันขึ้นแบบนี้เลยของหลวงพ่อมันสลับกันขึ้นเลยอยากหนังเหนียวอยากอยู่หอกอยู่ดาบอยากเป็นนักลกก็เลยไปตะเวนยิงเสือปืนถถูกเสือแล้วเนี่ยมันกลับมากัดตัวเองก็เลยตายอยู่ที่นี่ขึ้นเลยวบบนี้โอ้โห่ที่เราเกิดมานี่เราไม่เคยเห็นชาติก่อนของเราวันนี้เราได้เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันขึ้นแบบนี้ของหลวงพ่อที่ว่าศรัทธา ศรัทธามันแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันความรู้ความเห็นจากหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนอท่านอาจารย์มหาบัวหลวงปู่บุญจันทร์นะนี่แหละการได้สัมผัสครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านมีพลังจิตพลังธรรมเนี่ยมันก็เกิดความเชื่อมัน่นเกิดศรัทธาแต่ศรัทธาเนี่ยไม่ไม่ถ้าว่าศรัทธาแค่ถวายทานทําบุญทําทานแค่นั้นอันนี้สละตายเพื่อธทำ ศรัทธาของหลวงพอ่อน่ะมันมันศรัทธาตัวนี้มันแรงมันบอกว่าไหนไหนก็อ่าถ้าไม่ตายก็เหลือถ้าไม่เหลือก็ตายน่ะมันมอบไ ป, ป, ไปแบ่บนี้อันนี้ล่ะจริงว่าใจของเราทุกคนมันก็จะว่าเราหลงยึดว่าของของเราอ่าเราหลงอยู่ในกามกินเกียรติเนี่ยซาตแล้วซาตเราที่ผ่านมาแล้วนี่ที่เราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดมานี่เราก็ตายอยู่แวบนี้ล่ะ หลมยึดว่าอันนี้ลูกเราเมียเราผัวเรายึดอยู่อย่างนี้ก็ติดอยู่เนี่แหละมันติดความยึดความมีความรักความห่วงอะไรอยู่นี่แหละแต่บัดนี้เราเวลาเราเราจะปล่อยตัวนี้ทิ้งเนี่ยเราจะสลัดตัวนี้ทิ้งเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรล่ะมันมายึดมันมาเาเดี๋ยวจะเป็นนั่นนะเดี๋ยวจะเป็นนี่นะเออเอาไว้ก่อนเธ อ, เอหยุดไปสั้นเข้าก่อนเธอหยุดพักพรก่อนเธอ เดียวถ้ามันตายเยมันเป็นนามวัึถุกำนังเนี่ยขึ้นมาอย่างไรก็สั่งตายเลยนะหลวงพ่อเอาแววนี้ใจมันเป็นเองนะไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งคาพูดของตัวเองใจมันเป็นเองพอมันมันจะขอร้องมันจะมีความอโซสเลาะขึ้นมาที่ว่าจะปกป้องไม่ให้ไม่ให้ความยึดนะนะความยึดติดนะมันปกป้องมันไม่อยากให้ให้ตายมันกลัวตาย มันมันอยากจะให้ไปกินข้าวก่อนหยุดก่อนหยุดไปพักผ่อนก่อนเท่านั้นเนองหลวงพ่อไม่เชื่อมันกูไม่เชื่อมึงกูถูกหลอกลวงมานี่หลายพบหลายทราบแล้วไม่รู้ว่ามันมาจากไหนล่ะกูกูมึงมึงขึ้นเลยนะในขณะนั้นนะอ่ามันเป็นปัจจุบันนะมันเป็นปัจจุบันนะักจิตปัจจุบันธรรมเนี่ยเวลาจิตของเรามันมีกําลังใจแล้วเนี่ยมันผ่านไปได้โดยที่ว่าทุกเต็มที่นั่นแนหะ เปียกหมดท่ากีวอนนี่ปียกหมดแล้วเนี่ยจิตก็ยังไม่วางจิตก็ยังไม่ปล่อยจนว่าไม่รู้ว่าเหงื่อเนี่ยมันไหลออกมาจากไหนหลวงพ่อในขณะนั้นบอกว่ามันไม่ใช่เหงื่อแล้วนี่ยมันเป็นยางตายที่มันไหลเนี่ยที่มันไหลออกจากตัวเราเนี่ยมันร้อนพอสอยสองยังไม่มีพัดลมนะยังไม่มีไฟฟ้าเข้าวัดบ้านสถิกาวาน อันนั้นหละมันจริงร้อนแรงทุกขเวทนานั่งตอนกลางวันนั่งแต่เช้าไปถึงบ่ายสามโงเนี่ยไม่ยอมขยับไม่ยอมกืนน้ำลายดูแต่ที่ว่าดูทุกทุกที่ไหนดูที่นั่นอา้าวที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน่ไปฆ่าเปาปูฆ่าปลาฆ่าโกบเขียดเป็ดไก่เนี่ยเขาจะเก็บจนตายเราฆ่าเขาเน่ะไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ร้อยกี่ล้านตัว ที่เราปวดคนเดียวนี้เนะี่ยปวดคนเดียวอ้าวเนี่ยมันเอาขึ้นแบบนี้เลยนี่มันหาวิธีมันเป็นปัญญาของหลวงพ่อนะอันนี้เป็นปัญญาของหลวงพ่ออของโยมต้องเป็นของโยมเราต้องทว่าดูทุกเกิดขึ้นจากตัวเองแต่เราจะต้องค้นหาวิธีว่าจะผ่านทุกขเวทนาไ ด, ได้ไปได้อย่างไงต้องต้องเราคิดเอานี่ตัวนี้นะอันอันนั้นเป็นเป็นวิธีของหลวงพ่อนะ วิธีของหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ห่วงร่างกายเนี่ยมันบอกว่าที่นี่คือที่ตายเนย่มันไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเนี่ยไม่ยอมขยับตัวนั่งนิ่งเป็นตอตะโกไปเน่เป็นแบบนั้นอันนี้แหละความอดทนหลวงพ่อจะว่าให้สละตายถ้าใจของเรายังห่วงยังมีความคิดว่าอย่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ไปเกิดชาติใหม่ต้องเป็นแบบนั้นเราทําอันนี้ไว้ต้อง เป็นแบบนั้นคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยวันหลังค่อยทำไม่เธอเนี่ยมันหลอกลวงอยู่อย่นี้วันหลังค่อยทำไม่ปีหน้าค่อยทำไม่ศีนหน้าค่อยทำไม่มันหลอกลวงเรามาเรื่อยๆทำนองนี้อันนี้แหละหลวงพ่อไม่ยอมให้มันผ่านมันจะเป็นอะไรก็ช่างบอกว่าที่นี่คือที่ตายเราไม่ยอมขยับที่นี่คือที่ตายมันจะเก็บขนาดไหนก็ช่าง รอดูเลยเราอะรอดูวิญญาณจะออกจากร่างตอนไหนใจจะขาดตอนไหนใจมันขาดให้ดูเลยนะพอลมละเอียดเข้าละเอียดเข้านี่ใจขาดลมขาดพอลมขาดเนี่ยตัวหนึ่งมันมันขึ้นมานะมายาของจิเลตมันป้อนข้อมูลขึ้นว่าเอ้าไม่ใช่เราตายแล้วหรือลมหายใจหมดแล้วตายเลยเราอยากจะตายอยู่แล้วเนี่ยของหลวงพ่อเป็นแบบนี้อันนี้แหละดูทุกเนี่ยเวลาเราดูทุกเนี่ย มันก็เลยมีความที่ว่าไอตัวตัวความรู้ตัวเนี้มันเกิดขึ้นมาทำนองนี้ทุกที่สุดเนี่ยไม่มีที่จะที่ว่าเราจะถ้าถ้าตามธรรมชาติเนี่ยเขาทํางานของโลกเนี่ยเวลาเหนื่อยเขาก็พักผ่อนไปกินข้าวกินน้ํากลับมาทําใหม่หายใจแล้วก็ทําใหม่แต่ตัวนี้เหมือนกันกับว่าเวลาเข้าตาลุมบอลแล้วเนี่ยที่นี่มันเก็บ เหยียบใส่เลยอ้าวที่นี่มันเก็บเหยียบเหยียบเพิ่มอ่าปรากฏว่ากดขาตัวเองเนี่ยขาไหนมันเก็บแรงอ่าปรากฏว่ากดใส่เลยอ้าวอยากให้มันตายเลยเร็วอันนี้แหละแต่ในที่สุดก็ว่าเมื่อใจของเรามันมันขาดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายแต่ต้องดูอยู่นั่นแหละดูอยู่เพราะว่ามอบกายถวายสีวิตแล้วเนี่ยก็เลยดูดูความตายของตัวเองว่าใจขาดแล้ว อา้าวใจขาดแล้วลมไม่มีนะแต่มันมีความรู้มันมีตัวรูน้น่แหละมันมันเกิดทำนองนี้อันนี้แหละพุทธโทอันดับแรกต้องพุทโทนะพุทโทกับลมหายใจหรือว่าสติกับพุทโทเนี่ยพุทโทกับใจของเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันอันดับแรกถ้ารักษาพุทโทกับใจของเราเป็นอันเดียวได้แล้วเนี่ยโอ้แต่ก่อนเนี่ยเราพยายามจะนึก พูดโทให้มันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทั้งวันมันหายไปเรื่อยมันวิ่งไปเรื่องการเรื่องงานสารพัดนะมันไปคิดเรื่องโลกโรคสารพัดนะแต่บัดนี้พุทโธนี่กับใจของเรามันเป็นอันเดียวกันแล้วปัะนี่มันดีใจนะนะดีใจก็ไม่ได้นานก็ผิดหวังอีกนะพุดโธมันหายนั่นแหละในที่สุดก็วิธีสู้วิธีแยกกายของหลวงพ่อคือเอานอนกินศพ นอนกินเส็พศพตัวเองคือจิตมันเป็นสมาธิไว้แล้วก่อนที่จะขึ้นนั่งสมาธิ น, ะ น, น, นั้นอในขณะนั้นะจิตมันวิววิวอยู่แล้วมันบอกว่าพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมมันว่ามันขณะนั้นะเหมือนกับจะถึงอยู่ขณะนั้นเลยมันบอกว่าจับผิดจับผูกอย่นั้นแหล ะ, ะเหมือนกับแบบนั้นเลยเวลาเวลาศรัทธามันเกิดแล้วมาก็่อสู้แบบที่ว่าลุยแอม ถ้าอุปมาก็เหมือนกับที่ว่าข้างหน้าของเราที่เราจะเดินทางไปนั่นน่ะเหมือนกับมันมีที่ว่าแดดร้อนหรือว่าไฟไหม้ป่าอยู่แต่จุดหมายปลายทางของเรามันอยู่เลยเลยไฟไปโน่นเราก็ต้องไปมันจึงจะถึงตัวนั้นไฟมันจะลุกลามขนาดไหนก็ช่างเราต้องฝืนสู้อันนี้ไฟไฟมันเกิดขึ้นจากตัวเรานี่แหล ะ, ะความร้อนความร้อน ถ้าใจของเรามันวางแล้ววเนี่ยท่าใจเราวางแล้วเนี่ยความตัวร้อนๆนั่นที่มันทุกๆน่นมันหายเลยนะมันวางนะอ่าสียงเฉพาะเสียงผู้รู้เฉพาะผู้รู้มันขึ้นแบบนั้นถ้าท่าใจของเรามันวางอันนี้แหละให้ให้เลยให้เลยตายให้เลยทุกมันจึงจะว่าจะได้เห็นนะแต่ก่อนมันยึดติดมันว่าตัวเราขาเราแขนเราตัวเราเนะี่ยมันว่าของของเราเนะี่ยมันว่า ของทั้งหมดนั่นน่ะที่เรามีอยู่นั่นน่ะมันอยากจะได้ทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเรามันก็ยังคิดอยากจะได้เอามาเป็นสมบัติของเราเนี่ยที่ยังไม่รวยมันก็ยังอยากรวยนมันคิดปรุงแต่งมันวิ่งออกไปเรื่อยๆความคิดความนึกถ้าเราหยุดดูวะเนี่ยเวลาเราหยุดดูนี่จิตของเรามันวะแต่ก่อนเนี่ยเราตามเราตามดูมันมันก็เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีเวลาจะหยุดได้ คือจิตของเราไม่ไม่เป็นสมาธิเนี่ยพอจิตของเราหยุดคิดเนี่ยจิตของเราก็เลยเป็นสมาธิมันก็เลยเกิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมามันเป็นปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรมแล้วนนนนเนี่ยมันมันสนุกบ่เนี่ยหลวงพ่อบาโอ้โหสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้บัดนี้เราได้รู้แล้วน่ะมันเกิดขึ้นแบบนี้นี่ยโอ้โหโอ้โหก็นั่นะมันเกิดขึ้นแบบนั้นถ้าใจของเรามันวางมันมันจะเกิดแบบนี้ อันนี้แหละพวกเราก็จะว่าให้อดทนอย่าไปคิดว่าไอ้ข้างพุทธกาลนี่ไม่มีเวทนามีอสมัยก่อนก็มีทุกขเวทนาเหมือนกันแอบราคะตันหาความโลภโกรกหลงมีหมดพบบริบูรณ์เหมือนกับชาติปัจจุบันนี่แหละเราจะเกิดชาติไหนพบไหนก็ช่างต้องมีความสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปนี่แะแต่ความทุกข์เนี่ยมันมากกว่า แต่ในที่สุดเราก็ผิดหวังคือต้องตายจากลูกจากหลานหรือว่าพ่อแม่ของพวกเราก็ตายจากพวกเราไปก็ผิดหวังแต่เวลาพวกเราตัวเราตายเนี่ยก็ตายจากลูกจากหลานทรัพย์สมบัติเงินทองจะมีขนาดไหนก็ช่างเราต้องจากทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกเนี่ยจะหามาได้เป็นเสนล้านก็ช่างละมันต้องเป็นสมบัติของโลกเนี่ยเราเอาไปไม่ได้ บุญกุศลถ้าเรายังยึดห่วงยังยึดห่วงว่าห่วงอยากได้บุญได้กุศลอยู่นี่ใจของเราก็ยึดก็ยังยึดนะมันต้องวางทั้งหมดไม่เอาทั้งบุญบุญก็ไม่เอาอความอยากได้เนี่ยมันละออกหมดในขณะนั้ น, น่ะมันวางทั้งหมดความอยากมันหมดไปก่อนนี่แหละจิตมันจึงค่อยวางอันนี้แหละวิธีวิธีหาวิธีวางที่ว่าจาก ทุกขเวทนาเนี่ยให้ญาติโยมนี่ว่าจับจับความที่ว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังบอกว่าพยายามที่ว่าไม่มีวันพรุ่งนี้สําหรับเราที่นี่คือที่ตายของเราอันนี้วิธีนี้เราจะได้ทอดอะไรนะใจของเรามันทอดอะไรไม่มีโอกาสจะไปกินข้าวไม่มีโอกาสจะไปกินน้ำญาติพี่น้องไม่มีในขณะนี้เราคนเดียวจะตายจะตายคนเดียวเนี่ยให้ลงแบบนี้อันนี้คือคือวิธีให้ ให้ใจของเรามันมันมันค่อยจะหมดแต่ก่อนเนี่ยมันมีความหวังอ่าบัดนี้หมดความหวังแล้วถ้าคิดแบบนี้ของหลวงพ่อมันมันมันมันเป็นเองนะมันคิดเองมันก็หมดหวังละไม่มีโอกาสวันพรุ่งนี้สําหรับไม่มีสําหรับเราไม่มีเราจะตายเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโอดลงแบบนี้อันนี้แหละวิธีวิธีที่ว่าแบบเผ็ดร้อนนะแบบนี้แบบเผ็ดร้อนอันนี้หละได้กาลัง ที่ว่าได้กำลังสติปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วหลวงพ่อจะว่าเท่ากับเขาลงทุนเนี่ยหนึ่งบาทแบบนี้ได้มาเป็นร้อยล้านหลวงพ่อคิดแบบนี้เลยที่เขาถูกลอตเตอรี่เนี่ยไปเทียบไม่ติดถ้าถ้ากิตของเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นจิตใจของเราจะ ม, มาเป็นแบบนี้แต่ก่อนมันมีความโมโหโทโสสารพัดที่มันเกิดขึ้นมีความคิด ปุงแต่งอยากได้นั่นอยากได้นี่สารพัดบัดนี้มันเห็นมานมันเห็นแล้วว่าตายมาแล้วเนี่หลายล้านเที่ยวที่มาเวียนว่ายตายเกิดมันจริงว่าคุ้มค่าหลวงพ่อว่า <c oughs> ให้อดทนนี่แหละการอดทนของเราเนี่ยแหละเท่าเท่ากับลงทุนหนึ่งบาทหรือว่าหนึ่งสลึงเนี่ยแต่ได้อริยทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยอริยทรัพย์ตัวนี้เนี่ย จะมีเงินเป็นพันล้านมาซื้อกลซื้อกันไม่ได้ขายกันไมนได้ต้องว่าเราเป็นคนทาเองเนะี่ยมหาเศรษฐีก็ทำเองคนยากจนเขยนใจก็ทำเองเนะี่ยไม่ใช่ว่าโหมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยโกนผมโฮมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยจะบริสุทธิ์ขึ้นมาจะภาวนาเป็นง่ายไม่ใช่ยากเหมือนกันญาติโยมอยู่ในเพศโยมเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันอย่าคิดว่า เราหมดหวังเลยล่ะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบางคนบบองค์ที่ยากนะองค์ที่ท่านบัภาวนายากอ่าพระอ่าอ่าพัทธิยาพระพัทธิยะอ่าพระพัทธิยะเนี่ยภาวนายากแต่ศรัทธามากอ่าในข้าพุทธกาลอ่าพัทธิยาเนี่เป็นคนสวยด้วยเป็นลูกมหาเศรษฐีอยู่ในกรุงสาวัตถีีใว่า บ้านคฤหาสน์ของเขาเนี่ยสูงกว่าหมู่ที่ว่าสูงกว่าหลังอื่นๆ อ, อยู่ในกรุงสาวัตถีนะ่ะอยู่ในเมืองสาวัตถีนะ่นเป็นมหาเศรษฐีที่รวยๆนั่นแหล ะ, ะเขามีบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตพ่อแม่ไม่อยากให้ให้ออกบวชแต่นุมเนี่ยก็เห็นพวกเขาเดินไปฟังเทศพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเออเขาคงจะมีสิ่งดีๆละ่ะ เขาต้องมีสิ่งดีๆละ่ะที่มุ่งหน้าไปวัดเซตะวันเนี่ยเขาต้องมีความดีละ่ะ เ, เราจะแอบไปดูสักวันนี่ก็เลยให้คนใช้ของตัวเองเนี่ยเอาน้ําปานะเอาน้ําอ้อยน้าอะไรเนี่ยติดไปด้วยตัวเองก็ตามไปแล้วก็อยู่ห่างๆ อ, อยู่ห่าง àng, ไม่เข้าใกล้คื อ, อข้าเลือดหาดของอนันทิยาเนี่ยพระ พระพิสูสง์เดินผ่านหน้าบ้านไปทุกวันก็กลัวพระกลัวพระพุทธเจ้าเห็นเห็นตัวเองก็เลยนั่งหลบๆอยู่ข้างหลังข้างข้างหลังบริษัทเนี่ยไม่อยากจะไปให้พระพุทธเจ้าเห็นตัวเองนะเพราะไม่เคยได้สนจิตสนใจจะไปวัดจะไปฟังธรรมฟังเทศไปทําบุญนีแต่วันนั้นก็แอบไปแต่พอแอบไปนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้ว ท่านเห็นหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเทศในที่สุดก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาอธิวาเราต้องบวชทรัพย์สมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแต่ก่อนที่เราจะบวชเนี่ยเราเกิดแล้วในกรุงกบิลพัฒเป็นเจ้าชายที่ว่ามีสารพัดบานี้พัฒทิยะเนี่ยก็อน้อมมาใส่ตัวเองโอ้ ที่ว่าเราล่ํารวยเนี่ยมันก็ไม่ได้เสี่ยวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารวยกว่าเราเยอะพระองค์เป็นกษัตริย์ด้วยทรัพย์สมบัติเยอะแยะ ก, กว่าพวกเราของพวกเรานี่ไม่ไม่ได้เสี่ยวท่านก็เลยว่าในที่สุดคนก็พัดภาคจากของเหล่านี้ไปตายแล้วตายอีกพระราชามหากษัตริย์ก็ตายจากพระราชวังไปเรื่อยๆ ทิ้งไว้เรื่อยๆมหาเศรษฐีคนยากจนเขินใจก็ตายจากาลูกจากหลานไปทานองนี้อันนี้แหละพัฒยาเนี่ยฟังแล้วนะมีศรัทธาเชื่อมั่นเราต้องออกบวชรับสมบัตินี่ยยพ่อแม่ก็รักษาไว้แต่สมัยก่อนก็เป็นของตาของปู่ของยา่าพัิยาเนี่ยก็คิดไปแบบนี้แหละคิดทวนไปว่าแต่ก่อนเป็นของปู่ของยา่าครอบครองมาต่อมาก็เป็นของ พ่อของแม่เราต่อไปก็จะเป็นของเราแต่ในที่สุดต้องตายต้องตายจากสมบัติเหล่านี้เนี่ยพัทิยะคิดแบบนี้อันนี้แหละปัญญาอันนี้ละ่ะพอเกิดเกิดศรัทธามันเกิดปัญญาปัญญาตัวนี้นะมันก็เลยเกิดความคิดว่าเราต้องออกบวชให้ได้เนี่ยต้องเราต้องขอบวชให้ได้พอพุทธบริษัทอ่กลับได้ไหมพอกลับไปแล้วคน เหลือน้อยแล้วพัทธิยะนี่ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปกราบพระรพระุทธเจ้าแล้วแอบฆ่าพระองค์ขอ อ, อุปสมบทขอบวชกันอ้าวพัทธิย ะ, ะนันทิยะเธอมีบิดามารดาอยู่หรือากันถ้ามีบิดามารดาอยู่ต้องไปลาบิดามารดาก่อนกันลูกชายคนเดียวกันนี่พ่อแม่ พ่อแม่ไ ม, ไ, ออไม่ได้คิดว่าจะให้ลูกชายออกบวชนะพ่อแม่ห่วงไว้ไม่ให้นันทิยะออกบวชแต่นันทิยะเนี่ยก็ศรัทธาแรงถ้าพ่อแม่ไม่ให้บวชก็ขอ ว, วันนี้ก็ขอวันหลังก็ขอโอ้ลูกพ่อแม่นี่ยห่วงลูกเหมือนกับดวงตาเหมือนกับดวงใจหัวใจของพ่อของแม่อยู่กับลูกนะพ่อกับแม่นะ ห้ามอยู่แววนั้นในที่สุดลูกชายก็ที่ว่ามันมันคือแต่ามะม่วงมันสุกแล้วมันจะร่วงแล้วศรัทธามันมันเป็นลักษณะ น, นั้นไม่ถึงว่าไม่มีลมมาพัดก็มันจะร่วงอยู่แล้วมันสุกนะทนองนี้แหละในที่สุดก็พัฏธิยาอ้อนวอนวันแล้ว ว, ลวัวนเล่าก็ไม่ยอมพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชต้องอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละ คือดวงใจของพ่อของแม่ลูกคนเดียวเนี่ยลูกชายคนเดียวเนี่ยในที่สุดนันทิยะก็บอกกับพ่อกับแม่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ให้ผมบวชเนี่ยผมก็ขอตายที่นี่แหละคือที่ตายของลูกถ้าพ่อแม่ไม่ให้ผมบวชนี่ที่นี่คือที่ตายของผมว่าแล้วนันทิยะก็เลยนอนลงไปเลย อนอนลงไปไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินข้าวอดข้าวไปเลยพออดข้าวไปพ่อแม่ก็สงสารลูกมาอ้อนวอนอยากให้ลูกกินข้าวลูกไม่ยอมไม่ยอมกินหลายวันข้าหลายวันข้าก็พ่อแม่ก็เพื่อนเพื่อนอร่วมรุ่นเขาก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็พูด ทักบอกว่าเออเราจะไปเที่ยวโน่น้นเที่ยวนี่เรายังเป็นหนุ่มอยู่เราต้องไปทำนั่นทำนี่สารพัดเนี่ยจะไปสนุกสนานอยู่แต่นันทิยาไม่ยอมไม่ยอมลุกขึ้นไม่ยอมเด็ดขาดจะบวชท่าเดียวยอมตายท้าเดียวถ้าพ่อแม่ไม่ให้บวช เ, เพื่อนเพือนเขานะ่ะเพื่อนของนันทิยาก็เลยไปพูดกับท่านเศรษฐีบัดพ่อแม่พอได้ยินพวกนี้ไปบอกว่า ถ้านันที่ญาติเขาเป็นคนมีความสุขเขาเกิดอยู่ในกองเงินกองทองมีความสุขสบายเขาไม่เคยทุกข์พอออกไปบวชเนี่ยต้องทุกข์บ้านต้องทุกข์ที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินมันไม่เหมือนกับ อ, อยู่กับคลือหาญแบบนี้ต้องทุกข์พอเห็นทุกแล้วนั่ น, นที่ญาตก็จะกลับขึ้นมาหาพ่อหาแม่เพื่อนเพื่อนไปเล่าให้ให้พ่อให้แม่ฟังนั่น อันนี้นันทิยะไม่ได้พูด่เป็นเพื่อนของเขาไปไปพูดให้พ่อแม่อถ้าท่านเศรษฐีปล่อยให้นันทิยะตายเนี่ยก็จะไม่เห็นหน้าแต่ถ้าบวชแล้วเนี่ยก็ยังจะได้เห็นอายุในผ้าเหลืองแต่ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้เพราะนันทิยะมีความสุขอยู่แล้วจะไปบวชได้ยังไงเพื่อนเพื่อนบอกแบบนี้พ่อแม่ก็เลยตกลงอา ก็เลยถึงเจวันไ้แล้ได้เจ็ดวันอดข้าวได้เจดวันพ่อแม่ก็เลยยอมบุให้เอาลูกเอ้ยพ่อแม่นี่ห่วงลูกเหมือนกับดวงหัวอกของแม่หัวอกของพ่ออยู่กับลูกอยู่กำนันทิย ะ, ะลูกพ่อแม่ก็ไม่อยากเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาของพ่อของแม่ถึอว่าจำยอมอลูกพ่อแม่ก็ยอมให้ลูกบวชา ได้ยินคำว่าได้บวช อ, อนุญาตให้บวชนั่นละ่ะดีอกดีใจลุกขึ้นมากราบเท้าพ่อท้าแม่แล้วก็อยู่กินข้าวกินน้ำพอมีแรงแล้วก็หาบริขารออกไปบวชนั่นละ่ะพ่อแม่ก็ร้องไห้อยู่นั่นล่ลูกออกไปบวชก็ร้องไห้อยู่นั่นละ่ะวันแล้ววันเล่าก็ภาวนาไปเรื่อยๆช่วงนั้นยังเป็นสามาเณรน ะ, อ, ะอายุยังไม่ครบยี่สิบ ที่ว่าสามเณรเนี่ยวัน ท, นนทิยาเนี่ยอัอนนี้แหละช่วงเป็นสามเณรเนี่ยก็มีอาจารย์มีอุปชาพาไปเที่ยวกันพาไปเที่ยวพาไปทุดงก็ภาวนาไม่เป็นจิตก็ยังไม่เข้าถึงธรรมนะคนยากสมัยสมัยพุทธกาลก็ยังมีน ะ, นะในที่สุดก็ ต่อมาอายุครบบวชก็เลยได้บวชได้บวชเป็นอุปสมบทเป็นพระพิสุจนได้เป็นพิสูุน์แล้วเนี่ยก็อยู่ในนันะวัดเซตะวั น, น, นห้าพันษาได้หพันษาแล้วก็ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็สเสด็จไปเมืองลาดสึกอนนันทิยญเนี่ยก็เลยถือโอกาสออกไปเที่ยวบอกว่าแต่ละวันเนี่ยพ่อแม่ก็มามาเยี่ยม เพื่อนๆก็มาเยี่ยมเพราะลูกมหาเศรษฐีเพื่อนเยอะแต่ละวันเนี่ยผ้ากีวร อ, อาหารของใช้ของอะไรนี่ไม่อดไม่อยาก อ, อยู่ในในนั้นอ่ะไม่เคยอดแต่นันทิยะก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเรายังอยู่กับญาติพี่น้องอยู่ในกับพวกเพื่อนมาเยี่ยมมาคุกคีอยู่แบบนี้เราจะภาวนาไม่เป็นเราต้องหลบหนีเราต้อง หนีจากที่นี่ไปอยู่ชายแดนไปอยูอ่ที่ว่าห่างๆไปนั่นแหละอยู่จากกรุงห่างกรุงศรัทธีไปไกลๆไม่ให้ญาติพี่น้องรู้จักที่อยู่เลยล่ะไปแบบไม่ให้ญาติพี่น้องไปเยี่ยมได้หนีไปเลยหนีไปอีกบา้านี้ได้สิบสองปีไปอยู่ที่ป่านั่นะได้อีกสิบสองปีช่วงนี้ได้สิบเจ็ดพรรษาแล้วนะ แต่วันดีคืนดีเนี่ยก็มีพระเนี่ยเดินทางไปจากวัดเซตวันเที่ยวไปเรื่อยๆก็ไปถึงสำนักนั้นไปถึงสำนักที่นันทิยะอยู่นันทิยะก็รับต้อนอทำข้อวัด เ, เรื่องข้อวัดรับต้อนพระอาคาันตุกะเสร็จแล้วก็ถามถึงว่าท่านมาจากกรุงสาวัตถีนั่นนะภาพผู้มีพระภา พ, พเจ้านะ่ะสบายอยู่หรื อ, อท่านมี สุขภาพอะไรดูดีอยู่หรือนะ่อุปชาของผมเป็นอย่างไรอุปชาที่ว่าพระคุณเจ้าองค์นั้นองค์นั้นถามหาได้ว่าท่านสบายอยู่ดีหรือเนะ่ในที่สุดก็ถามว่าท่านอยู่กรุงสาวัตถีนั่น ะ, ะเศรษฐีชื่อนั่นชื่อนั่นเนะี่ยยังสบายดีอยู่หรือเนะ่ถามถึงพ่อแม่ของตัวเองพระองค์ที่เที่ยวมานะั่นะ เขาก็บอกว่าเอออย่าไปพูดถึงท่านเศรษฐีสองท่านนั่นเลยอาจารยเดี๋ยวนี้เนี่ยเศรษฐีสองเทเศรษฐีคนนั้นนะท่านมีลูกชายคนเดียวหนีไปบวชหนีไปบวชแล้วก็เวลาพ่อแม่เก่เท่ามาแล้วพวกพนักงานที่พวกเสมียนบัญชีทำงานอยู่ในบริษัทของท่านนะ่ะโกงกิน โกงกินขนข้าวของออกหนีหมดในที่สุดเศรษฐีเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้ขอขออาหารการกินจากคนอื่นไปขอกินคเลือดหาดนั้นไม่เป็นของเศรษฐีแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วน้ําตาร่วงเลยนะพระนันทิยาเนี่ยสิเกียรติัญารในน้าตาร่วงนะน้ําตาร่วงสงสารแม่ของตัวเองพ่อของตัวเองโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยเป็นเศรษฐีรวยนะ อยู่ในกรุงสาวัตถีนั่นนะบัดนี้เป็นยาจกขอขอจินเป็นเมือ่อเมื่อไปเนี่ยขอจินอาศัยฝาเรือนของเขาอานอนไปตามฝาเรือนเขานั่นที่ญาี่ร้องให้สออึกร้องให้แล้วก็พระองค์นั้นก็เอา้าท่านเป็นลูกของท่านเศรษฐีนั้นหรืออาจารย์ก็เลยรับสรารภาพาว่าตัวเองคือพระลูกชายเศรษฐีนั้น ลองให้แล้วก็พระองค์ที่มาจากเมืองสาวัตถีก็เลยว่าเออเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ยังไม่ตายแต่ก็จนไม่มีที่อาศัยขอทานกินไปเรื่อยๆตามอยู่ตามแถวตลาดนั่นแหละเพราะฉันก็เลยกลับมาเนี่ยาลองให้เสร็จแล้วก็แต่งของแต่งบาตแล้วก็เดินทางกลับม า, าผ่านวันนั้นวันนี้ก็เดินมาหลายวันก็ มาถึงถึงทางที่จะเข้าวัดด้านหนึ่งก็จะด้านทางหนึ่งก็จะไปะวัดเซตะวันทางหนึ่งก็จะไปเข้าไปในเมืองที่กระลืหาดของพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็คิดแล้วล่ะเราต้องสึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะตายก็ขอให้ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยคิดแบบนี้เราจะต้องสึกเรามีศรัทธาออกมาบวชเนี่ยถึงกับว่าอดข้าวอดน้า จะตายแต่ในที่สุดมาถึงตอนนี้เนี่ยพ่อแมอ่ทุกยากแบบนี้ก็อดไม่ได้เราต้องสุกสึกไปเลี้ยงไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นที่ยะพูดแบบนี้คิดคิดคนเดียวนั่นแหละคิดคิดแบบนี้แต่แต่คิดว่าก่อนเราจะสึกถ้าเราเดินไปหาพ่อหาแม่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกเราจะไม่ได้โอกาสจะได้เข้าไปกราบไปไหว้อีก ก่อนนั่นก็เราต้องเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนไปกราบองค์พระศาสดาก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราจึงตามหาพ่อหาแม่คิดแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจเดินเข้าวัดเศษตษวันพอเข้าไปแล้วก็อาบนา้ําหาที่พักได้แล้วก็ไปฟังธรรมไปนั่งอยู่ท้ายท้ายบริษัทเพราะามันถึงเวลาฟังธรรมพอดีช่วงนั้น พระพุทธเจ้าท่านก็เทศเรื่องอคนที่พามมาถามท่านมีพามมาถามพระพุทธเจ้านะมากราบทูลพระโคโดมเราเนี่เป็นคนที่ว่าไม่เคยทำบุญทำทานไม่เคยทาบุญทาทานเราเกิดเป็นพามแต่ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ หาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราจ ะ, ะได้ไปมีทางสุขติไหมเออดีแล้วนะพระพุทธเจ้าก็เลยว่าการที่พวกเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยถือว่าเป็นญาติเป็นโยมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยความเป็นร่วนได้ว่าด้วยความเคารพยำเกรงไม่ให้พ่อแม่เสียอกเสียใจเอาอกเอาใจพ่อแม่เนี่ย อันนันละ่ะคือทางสวรรค์พระพุทธเจ้าบอกแบบนี้อ่าอันนันละ่ะคือที่จะได้ไปสวรรค์ในครั้งก่อนที่เราเคยเกิดมาแล้วน่ะเราก็เคยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาเหมือนกันนี่แหละท่านพูดแบบนี้อ่าพระนันทิยาเนี่ยก็ได้ยินตัวนั้นละ่ะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอ่า อ, อยู่ในเพศเป็นพระเนี่ยก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อ่าแล้วก็เออดีแล้ว เราจะไปบินทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นที่ยากก็ตัดสินใจอพอตื่นเช้ามาก็คุมผ้าเข้าในเมืองของตัวเองเข้าไปยืนดูเดินเข้าไปดูในคะเลหาดของตัวเองอไม่รู้ไม่รู้จักคนเลยวะนี่ อ, ออกออกไปไปจำพรรษาอยู่ที่ที่อื่นนะ่ะได้สิบเจพรรษานะกลับมาจำ จำคนแถวนั้นไม่ได้เลยมันก็ยืนตะลึงอยู่นั่นหละที่นี่ก็ที่ของพ่อของแม่ของเรารักษามาแต่เราเกิดมาก็เป็นของพ่อของแม่เราบัตรที่นี่มันเป็นคนคนไหนมันมาเป็นคนอยู่แทนพ่อแทนแม่ของเราก็ลำพึงในที่สุดก็แล้วเราจะมาลำพึงอยู่ที่นี่ทาไมเราต้องตามหาพ่อหาแม่ของเราก็เดินออกจาก ถ้เรื่องหาดนั้นเดินไปเรื่อยๆสอดสายตามองไปเรื่อยๆพอดีไปเห็นมานี่ยพอดีไปเห็นสองตายายสองผัวเมียมีผ้านุ่งพ อ, อเฮียนๆนั่นแหละนุ่งผ้าเก่าๆดำๆนั่นแหละตัวก็ผิวข่ำค้าไม่เหมือนกับท่านเศรษฐีแต่ก่อนอทั้งพ่อทั้งแม่น่ะดำข่ำอาหารก็ไม่ได้กิน ข้าวน้ำก็อดอดอยากๆยากก็เลยผิวค่าเป็นคนจนเป็นคนขอทานกินจากมหาเศรษฐีเป็นคนจนนันทิยะก็เดินเข้าไปใกล้ๆก็จำได้พอจพ่อจำแม่ได้แล้วก็ยืนอยากจะบอกพ่อว่าอยากจะบอกแม่ว่าพ่อแมอ่ลูกมาแล้วนะอยากจะบอกแบบนี้ แต่มันมีอะไรมาติดคอไว้มันป่ามันพูดไม่ออกแล้วมันมีสิ่งที่มามันพูดไม่ออกมีแต่ความแค้นความแค้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพูดไม่ได้ก็ยืนอยู่นั่นแ ม, แม่ก็เห็นมันเห็นพระขุนเจ้ามายืนอยู่ก็พนมมือขึ้นเออพระผูเ้เป็นเจ้านี่ม์เธอนี่มลข้างหน้าเธ อ, อพวกดีชั้นนี่ ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วจะทำบุญทำทานไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็หาขอกินไปเป็นวันวันไปอาจนรย์อัอโยมแม่น่นิมนต์ลูกชายให้ให้ไปไปรับบินธบาต ท, ที่อื่นสามครั้งลูกชายไม่ยอมขยับตัวมีแต่น้ำตาไหลน้ำตาไหลสะอึกอยู่นั่นแหละในที่สุดก็ แม่ก็เออหรือเป็นลูกของเรานะก็เดินเข้ามาดูใกล้ๆพอมาดูใกล้ๆแล้วก็โอ้นันทิยะเนี่ยนะร้นะองให้นะพ่อก็เลยมาร้องให้อีกพ่อก็ร้องให้กอดขาลูกแม่ก็ร้องให้ใส่เท้าลูกนั่นแะหละร้องให้ทั้งสองสามคนนั่ะแหละร้องให้ใส่กันพระลูกชายก็ร้องให้พ่อแม่ก็ร้องให้นี่ยแหละพออ่า จิตใจร้องให้เหนื่อยแล้วก็พอหยุดได้แล้วก็ปลอบใจพ่อแม่ว่าลูกลูกจะรับเลี้ยงแต่ตอนนี้ต่อไปนับแต่วันนี้ต่อไปลูกจะหาเลี้ยงหาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เอาที่ว่าบินทบาทมาได้ก็เอาให้พ่อให้แม่ทานมีนิดๆหน่อยๆแล้วลมียาคู นิดนี้น่ยน่อยก็ให้พ่อให้แม่ทานแล้วก็ตัวเองก็ออกตะเวน อ, ออกบินตาบาตอีกได้มาแล้วก็กลับมาให้พ่อให้แม่กินอิ่มก่อนตัวเองจิงกินน่พระนันทิยะทำแบบนี้นแต่ก่อนนี่ท่านเป็นคนสวยนต่อมาก็ผิวค่ำเข้าเรื่อยเส้นเอ็นก็เกิดขึ้นมีผิวค่ำดําเข้าเรื่อย โมเพื่อนที่รู้จักกันเอ๊ะนันท่ยะแต่กรเนี่ยท่านเป็นผู้มีผิวพรรณเป็นคนลูกสวยลูกงามบัดนี้ท่านทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ก็เลยเปิดเผยความที่ว่าตัวเองบินธบาตมาเลี้ยงแม่มาเลี้ยงพ่อกับแม่พระบางองค์ก็ตำหนิว่าโอ้ถ้าทำแบบนั้นก็ทำให้ศรัทธาเขาเสื่อมอก็ผิดอ่าท่านทำผิด ทำให้ศรัทธาเขาเสือ่อมไปบิณฑบาตอยากญาติโยมมาแล้วเอาไปให้คนอื่นรับทานเนี่ยไปเลี้ยงคนอื่นเนี่ยมันผิดน ะ, ะคนก็หาเรื่องพระเหล่านั้นก็บางคนก็ไม่ว่างให้หละแต่บางองค์ก็ว่างให้ในที่สุดก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าไปร้องเรียนว่าพระนันทิยาเนี่ยไปบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเขาก็ไปฟ้อง พระพุทธเจ้าก็เรียกเรียกเข้าเฝ้าพอเข้าเฝ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่านันทิยะอเธอเนี่ยบินทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรืออย่างนั้นอย่างนั้นแหละก้าวกระพมก็เจ็บจะรับรับเลยรับสารภาพว่าอแบบนั้นพอรับแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าดีแล้วดีแล้วนันทิยะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิ แต่สมัยก่อนเนี่ยเราเคยเกิดมาแล้วเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สมัยศาสตร์ก่อนของเราที่เราเกิดเป็นสวรนาสามเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเวลาเราตายแล้วเนี่ยเราก็ไปจุดติในเทวโลกนั่นทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่ตาบอดลูกชายหามหัวมันหัวอะไรมาเลี้ยงเน่ยสวรนาสามแต่ในที่สุดน่ะพญา พระราซาออกไปล่าไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์นะพระเจ้ากับินยักษ์กับินยักษ์น่ยออกไปล่าสัตว์ไปที่ว่าพระราซาเห็นแก่ปลากแก่ท้องชอบกินเนื้อชอบกินเนื้อเก้งเนื้อกวางทำนองเนี่ยก็ออกไปล่าสัตว์ออกไปล่าสัตว์ล่าเนื้อไปเห็นสุวรหนสามเนี่ยไปกับหมูเนื้อบาเนี่ยส่วรหนสามเนี่ยถือหม้อ จะเอาเอาหม้อเนี่ยไปตักน้ำเอาเอามาไว้ให้พ่อให้แม่อาบให้พ่อให้แม่ามาที่ว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ออกไปาตาบอดแต่วันนั้นน่ะพระเจ้ากรปินยักษ์เนี่ยก็เลยเห็นน่ะเอ๊ะคนน่ะถ้าเป็นคนเนี่ยทำไมสัตว์เหล่านี้จึงเดินมาด้วยกันไอ้ฝูงเก็มฝูงก ว, งวางพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ทำไมถึงมากับคนแบบนี้สงสัยจะเป็นยักษ์หรือว่าจะเป็นกวกนาคหรือว่าจะเป็นผีอะไรก็ช่างคนตัวนี้คงจะไม่ใช่คนพระเจ้ากัปตนยักษ์คิดแบบนี้คิดว่าสงสัยคงจะเป็นยักษ์หรือว่าจะเป็นอะไระเกิดแฝงแฝงมาถ้าเป็นคนทำไมสัตว์เรานี้ไม่กลัวก็เลยตัดสินใจยิงยิงสุวรรณสามลูกสอนน่ะ ลูกอาวุธของพระพระพระลาชาณน่ะอาบด้วยยาพิษพอยิงเข้าไปแล้วเนี่ยความเจ็บปวดเลือดไหลออกปากออกทำนองนี้หละเลือดเพรา ะ, ะสารพิษเนี่ยที่สารพิษที่มันไปทำลายเลือดในตัวสุวรรณสามเลือดก็ไหลออกปากสุวรรณสามเนี่ยก่อนจะตายเจ็บปวดเต็มที่เนี่ยแหละ แต่ก็ว่าโอ้ใครนาอมายิงเราที่ว่าเนื้อก็กินไม่ได้เนื้อของเราก็กินไม่ได้ทำไมมายิงเราเพื่ออะไระสร้างเขามีงาพวกเสือพวกมีเขาก็มีหนังมีบีที่ว่าจะยิงก็ยังมีที่ว่าสิ่งที่จะต้องการไปทายาทำ อะไรแบบนี้จะเป็นที่นอนที่นั่งแบบนี้แต่สําหรับเราเนี่ยไม่มีที่จะมีราคามายิงเราทําไมอาจารย์ออกมาให้เราเห็นเถอะอาจัรนสุวรรณสามพูดดีๆเลยนะไม่ได้โกรธไม่มีความโกรธพระเจ้ากระปินยักษะนะ์นั่นน่ะอดไม่ได้ก็เลยออกมาปรากฏตัวเห็นสุวรรณสามพูดดีก็เลยมาออกมา พอออกมาแล้วก็ว่าเรานี่เห็นเธอนี่ออกมาเนี่ยเธอเนี่ออกมาตรงกับที่เราลูกศรของเราจะจะมาตรงนี้เราก็เลยปล่อยลูกศรของเรามาเนี่ยเรามาเธอเนี่เป็นคนมาไล่เนื้อเรานั้นออกไม่ให้เรายิ ง, งพระราชาพูดบอกว่าสุวรรณสามนี่มามามา ขวงขวงเนื้อมาขวงเนื้อไม่ให้พระราซายิงเนื้ อ, อสุวรรณสามก็เลยกราบทูลพระราซาว่าข้าพระองค์แม่ข้าพระองค์ลูกจากความานี่ลูกศึกตัวพอลูกจากลูกเดียงสามานี่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในป่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่เคยรังเกียจกัน ดูแลกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยสุวรรณสามบอกแบบนี้เออสุวรรณสามเ อ, อเราพูดปดเธอไปอ่าแล้วก็อ่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาสุวรรณสามก็เลยบอกว่า อ, อมหาบพิษอ่าโพอ่าแรกนาก็บอกแบบที่ว่าอ่า ข้าพระ อ, องค์นี่เป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ตาบอดอยู่ทางหัวนอนนี้ที่เป็นทางเดินมานี่ทางหัวนอนนี้พ่อแม่ตาบอดอยู่ที่นี่ไม่มีใครเลี้ยงถ้าไม่มีใครเลี้ยงอีกจักสองสามวันก็จะหมดน้ํากินพ่อแม่ก็จะต้องตายพระราสาก็คิดสงสารนั่นพอคิดสงสารแล้วก็เออจะแน่ เราจะเลี้ยงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เจ้าอนในขณะนั้นมีมีเทพมีเทพธิดามี อ, อ่พวกเทพธิดาที่รักษาที่รักษาภูเขานั่นหละก็เลยออกมาอบอกพระราสาพระราสาท่านเป็นคนอมตเป็นคนทําผิดศีลผิดธรรมฆ่าพ่อแม่เขา ท่านจะตกนรกโหมกไหมอยู่ในเอเวกีอาจารย์ท่านต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของเขานะพระราสาก็รับสา ร, รภาพว่าจะจะไม่กลับวังจะไม่กลับเข้าเมืองกราณาสีจะอยู่ที่นี่จะอยู่หาที่ว่าหาเนื้อหาสัตว์ทั้งหลายนี่มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของส่วนหนสามไปจนถึงว่าพ่อแม่ของส่วรหนสามแก่ตาย รับอาสาแบบนี้ในที่สุดก็สุวรรณสามก็สิ้นใจสิ้นลมพระราษาก็ร้องให้อยู่ในร้องให้แล้วก็เดินตามทางที่สุวรรณสามเที่ยวมาตักน้ำนั่นละตากน้ำไปให้พ่อแม่นะก็เดินไปไปได้ยินที่ว่าพ่อแม่ตาบอดก็จำเสียงของลูกชายเดินได้ใครหนาเดินมานี่ ไม่ใช่ลูกของเราพะชนเสียงนี่ไม่ใช่สวนนสามลูกของเรานเออเราอ่าเราคือพระลาสาอ่าพระเจ้าอ่าเมืองพา ร, ราสีพะชนก็เลยบอกมหาบาพิษเสด็จมาที่นี่ดีแล้วนะสองลือศีนะก็เลยเชิญเชิญอ่ากาบทุนพระลาสาเนี่ยเข้าไปรับทานไปเสวย น้ำเสวยผลละหมากลากไม้ที่สวนะสามหามาไว้ให้พ่อให้แม่นะผลละหมากลากไม้ที่มีอยู่นี่เป็นผลละหมากลากไม้ที่พ อ, อที่ว่ า, เ, าเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยถ้ามหาพรพิษจะเสวยก่เอเชิญมหาพรพิษเสวยได้เลยน้ำที่สวนะสามหามาเท่า น, นั้นนีในที่สุดก่อพระลาสาก่อ แต่พวกพ่อแม่ก็เลยถามว่า เ, าเดี๋ยวนี้สวนนสามอยู่ที่ไหนนะสวนนสามไม่ลูกชายสวนนสามไปตักน้ำยังไม่มาบัติพระราสาก็เลยบอกความจริงว่าสวนนสามลูกของท่า น, นเรายิงตายแล้วรือสีทั้งสององค์นัน่นนะร้องให้ ร้องให้ขอร้องให้พระลาซาพาไปดูก็ว่าโอ้กลางคืนกลางคืนแบบนี้เนี่ยพวกสิงโตพวกเสือโค่งเสือเหลืองจะกัดมันลำบากมันจ ะ, ท, ะที่ว่าจะถูกสัตว์เหล่านั้นทำลายแต่ลือสีสองอ ง, องเนี่ยผัวเมียเนี่ยเป็นลือสีน ะ, ะผัวก็เป็นลือสี ผู้ภรรยาก็เป็นดาบสินีเขาเรียกแบบนี้ผู้หญิงประพฤติ ธ, ธรรมในอยู่ในป่าหากินผลไลม้หัวมันอยู่ในป่านะั้นเป็นดาบสินีคือเป็นลูกคนในสมัยก่อนนะ่ะมีศรัทธาออกบวชในช่วงนั้นออกบวชเป็นฤาษีในช่วงนั้ น, ออ น, น, น, นยังไม่มีพระเจ้าอุบัติบังขึ้นอุบัติบังเกิดขึ้นก็เลยออกบวชทำนองนั้นสร้างบรารมีมา พ่อแม่ก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายพวกสิงโตพวกเสือโคร่งเสือเหลืองเนี่ยเป็นเพื่อนกันกันกบสุวรหนสามไม่เป็นศัตรูกันะจะไปเวลาไหนก็ได้สัตว์เหล่านั้นไม่ทําอันตรายต่อต่อพวกข้าพระองค์ขอให้พระองค์เนี่ยพาพวกข้าพระองค์ไปหาส่วรหน้าสาม พระลาศาก็เลยพาไปในที่สุดก็เลยพาไปพอไปถึงแล้วก็ร้องให้พ่อแม่ร้องให้ลูกดูหน้าสุวรรณสามในที่สุดก็พ่อแม่ก็อธิษฐานบันแม่แม่ของสุวรรณสามอธิษฐานว่าด้วยความสัตย์ความจริงที่เราเกิดขึ้นมานี่มีครอบครัวที่เรามาที่ว่า ความไม่เคยผิดอกผิดใจกันไม่เคยทะเลาะเบาแวงกันพูดความจริงที่ว่าตัวเองที่ว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ด้วยกันผัวเมียคู่นี้อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่แต่ไม่เคยสมสู่กันพูดความสัตย์ความจริงตัวนี้ด้วยความสัตย์ความจริงนี้ขอให้พิษขอให้พิษน้ำพิษจาก สุวรรณสามจงหายไปพระสั้นคู่แม่อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ลูบลงตัวสุวรรณสามพ่อก็อธิษฐานอีกพ่อก็เลยอธิษฐานอีกพอพอแม่อธิษฐานเนี่ยสุวรรณสามเนี่ยมือเท้ากระดิกได้แล้วพ่ออธิษฐานอีกด้วยความสักด์ความจริงที่เราออกมาบาเพ็ญ แบบนี้แบบนี้เราไม่เคยที่จะมีความโกรธหรือไม่เคยที่ว่านอกจิตนอกใจกันมีความรักออนนนเอาได้ไหนด้วยความสาัตาดความจริงนี้ขอให้ลูกสามของเราเนี่ยจงหายจากพิษพิษยาตัวนี้นสุวรรณสามพิกพิกได้บัดสุวรรณสามพิกตัวได้อ่า พระลาศาเห็นสิ่งแปล ก, กแล้วก็อธิษฐานอีกเราเป็นพระลาสามหากษัตรอยู่ในกรุงพาร า, าศีเราเป็นพานเป็นว่าผู้มีอาวุธล้าแแรงไม่เคยกลัวในสงครามพูดไปตามนั้นนี่แหละด้วยความสัตว์ความจริงนี่ขอให้สุวรรณสามจงหายวะฉันพระสุวรรณสามก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งได้ เทพธิดาที่เคยเป็นแม่ของสุวรรณสามก็อธิษฐานอีกอก็อธิษฐานว่าที่เราเกิดอยู่ในที่เคยเป็นแต่ก่อนเราเคยเป็นแม่ของสุวรรณสามาบัดนี้เรามาเกิดเป็นเทพอยู่ในภูเขาลูกนี้แล้วก็เรื่องที่ว่าเราตามรักษาสุวรรณสามเนี่ยทุกวัน เราตามรักษาสุวรรณสามทุกวันชาติใดก็ช่างเทพธิดาตัวนี้จะตามรักษาลูกชายคือสุวรรณสามนี้ตลอดเนี่ยด้วยความสัตย์ความจริงนี้ขอให้สุวรรณสามจงหายจากพิษยาตัวนี้สุวรรณสามก็ลุกขึ้นได้ลุกขึ้นมานั่ง <c oughs> ลุกขึ้นนั่งได้แล้วก็ พ่อแม่ร้องให้ทําไมสันพ่อแม่ก็มาโอบ ก, กอดลูกพ่อแม่มาอโอบกอดลูกแล้วก็ร้องให้ลูกคนเดียวก็ลําพึงลําพันไปเรื่อยๆในที่สุดก็พ่อแม่เนี่ยพอสุวรรณสามฟื้นตัวขึ้นมาแล้วสุวรรณสามเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าโอ้พระราชาเกิดครวมอาสจร์ แต่ก่อนเนี่ยถ้าเรา อ, ะอ่ะลูกศอนของเราถูกอะไรก็ช่างสร้างตัวโตโ ต, ตก็ตายมนุษย์นะที่ไหนก็ตายถ้าถูกลูกศรของเราแล้วแต่วันนี้สุวรรณสามนี่ฟื้นขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะความสัตว์ความจริงพระลาซาเนี่ยก็ได้ฟังมาสุวรรณสามก็สอนหน่อสุวรรณสามก็สอนให้พระลาซาเนี่ย มีความเกรงกลัวต่อบาปให้มีความละอายต่อบาปที่เป็นพระราซาต้องสอนให้ปรสาชา์ชนให้ภัยฟ้าพระประาชาราศอยู่ในศิลในธรรมในที่สุดพระราสาก็อธิษฐานตั้งสัจจะอาธิษฐาน เ, าเป็นลูกศิษย์ของสุวรรณสามปฏิญาณตนว่ า, าจะ ก, กลับไปเนี่ย จะกลับไปพระราชสว่างแล้วเนี่ยจะจะหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตะจะทํที่ว่าไม่ทําปาณาติบาตจากวันนี้ต่อไปจะสอนประชาชนให้มีศีลมีธรรมต่อไปอในที่สุดก็พระราซาเนี่ยแหละเชิญให้พระฤาษีกับสุวรรณสามเนี่ยเข้าไปอยู่ในสวนอุทยานของพระราซาพระราซาก็ที่ว่ามาฟังธรรมกับสุวรรณสาม ในชาตินั้นพระราชานั้นก็ได้ไปจุติในสวรรค์สําหรับสวรรณสามกับพ่อแม่น่ยก็ไปจุติในเทวโลกได้ว่าไปเป็นพรหมเลยในช่วงนั้นแต่เกิดเป็นพรหมเนี่ยอายุเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ล้านปีล่ะนะเป็นหลายร้อยล้านปีล่ะเกิดเป็นพรหมเนี่ยนับไม่ได้หลายอสงขัยที่ว่าเราทาีอย่าไปคิดไปนึกว่าอายุของพวกเรานั้นอ่ะมาก เนี่ยมันมากที่ว่าจนนับไม่ได้จะว่าเท่านั้นล้านปีเท่านี้นล้านปีนี่นับไม่ได้อันนี้แหละพระราซาเนี่ยก็กไปเจดจุดตีในเทวโลกในชันดาวดึงแบบเนี่ยเนี่ยในชันดาวดึงเนี่ยก็มีความสุขต่างโลกของเราเนี่เยอะพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาความสุขของโลกของเทพที่ดาชันดาวดึงนั้นอายุของเขาเนี่ยสาหล้านปีของมนุษย์ ความสุขของเขาเนี่ยความละเอียดร่างกายการอาหารการกินรับ อ, อันที่อยู่ที่อาศัยน่ะเทียบกับมนุษย์ของเราเนี่ยไอ้โลกมนุษย์เนี่ยจะรวยแค่ไหนก็ช่างจะเกิดมีความสุขแค่ไหนก็ช่างท่านเทียบว่าเท่ากับกะลามะพร้าวเนี่ยโลกมนุษย์เท่ากับกะลามะพร้าวสวรรค์ น, น่ะเทียบกับเพชรกับเพชรไปเลย เทียบกับเพชรกับทองคำไปเลยนี่แหละเทียบแบบนั้นแหละโลกเราอันนี้แหละผลบุญที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยความเป็นธรรมเนี่ยก็แบบนั้นอันนี้แหล ะ, ะสุวรรณสามในแต่ก่อนก็เป็นเรานะพระพุทธเจ้าประซุมซาดอกว่าสุวรรณสามในข้างนั้นก็คือเรานั่นบอกมาแบบนี้อ ลือีที่เป็นพ่อเป็นแม่ลือศรีที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คืออะไล่ะเป็นภาษารีบุตรหมายความว่ า, านี้ยแะคือผ่านางอะไรที่เป็นพวกพวกอันนักบวชเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละก็มาเป็นพ่อแม่เวียนไหยตายเกิดกันมาก็เวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสลูกก็มาจุติมาเกิดในในยุคนี้ก็ได้ออกมาบวช ได้รู้ทาเหมือนกรรมเหมือนกันอันนี้หละในขณะนั้นน่ะพระอันที่ว่านันทิยะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยออกหนีหลีกออกไปบำเพ็ญ น, น่ะถึง17เจ็ดพรนายังไม่ได้มีธรรมะขั้นต้นขั้นอะไรยังไม่มีธรรมะสั้นต้นคือพระโสดาบันเนี่ยก็ยังไมไ่ได้ไม่เป็นพระโสดาบันนะสิบเจพัสายังไม่เป็นแต่วันวันนั้นน่ะ พอพระพุทธเจ้าเทศจบนั่นแหละพระนันทิยาเนี่ยรู้หมดเป็นพระลังค์นั่นอันนี้พระสมัยก่อนอันนี้แหละที่ว่าไปอดทนอยู่ในป่าในดงในที่อดอยากเนี่ยเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีก็ออกไปบำเพ็ญในที่อดอยากกันดาลแต่ในที่สุดก็ยังไม่เห็นธรรมคือที่ว่า ทิ้งพ่อแม่ไว้ไม่ได้เห็นพ่อแม่พ่อแม่ทุกจนมันก็คงคงจะไปอพอพ่อแม่ลําบากกิจใจเนี่ยก็คิดถึงลูกก็ต้องคิดถึงลูกลูกก็ภาวนาไม่ไม่ได้ภาวนาไม่เป็นแต่พอกลับมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วนี่ยพอมาบินทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วพระพุทธเจ้าเทศกันนี่แหละกันที่ว่าเป็นสุวรรณสามเนี่ยพอเทศจบท่านก็เลยมี ความรู้ความเห็นสารพัด ส, สิ่งที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมคำสอนของภาษาสดาพร บ, บริบูรณ์หมดนั่นอันนี้สุภาษณนันทิยะอันนี้แหละหลวงพ่อจะว่าเกิดมาเนี่ยเราคิดว่าเรารวยแล้วจะไม่จนไม่ใช่มหาเศรษฐีเนี่ยกับเป็นคนจนได้คนจนกลับเป็นมหาเศรษฐีได้มันไม่แน่ แต่ในที่สุดต้องตายเนี่ยแหละก่อนจะตายให้เราฝึกตายก่อนตายจริงให้เราบำเพ็ญเอาที่ว่าให้เอาชาตินี้แหละอย่าไปคิดว่าชาติหน้าที่หลวงพ่อบอกว่าชาติหน้าอาจจะเป็นโลกใบนี้อาจจะว่างเปล่าจากคำสอนก็มีเนี่ยมันไม่มีคำสอนอยู่ในโลกนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปพัฒที่ว่าไปจะไปเกิดที่ไหนเนีเราไม่มีโอกาสจะได้ฟังอาจฟังทำแล้วก็หมด หมดไปเลยอันนี้มันก็ว่าเป็นมืดไปมืดไปมืดมาอยู่นั่นแหละมืดมาแล้วสว่างขึ้นนี่มันดีอันนี้ขอให้พวกญาติโยมทุกคนนี่แหละให้อดทนอย่าคิดว่ามันไม่มีถ้าเราทาจริงจริงนี่มีหลวงพ่อประกันไว้เลยเป็นล้านเปอร์เซ็นหลวงพ่อรับรองว่าถ้าใครนั่งภาวนาตายเนี่ยหลวงพ่อจะมาสวดฟรีเลยนะ มาสวดฟรีบางสกุลฟรีให้เลยนะไม่เอาปั จ, จัยหรอกถ้านั่งภาวนาตายลองดูนะให้ลองดูความเจ็บความปวดมันมันก็เหมือนกับจะตายจริงๆน่แหละแต่ในที่สุดเนี่ยมันเลยได้ในที่สุดมันวางถ้าใจเราไม่ยึดติดถ้าเรายังว่าขาเราแขนเรากระดูกเราจะหักขาเราจะหักน่แหละทําลองเนี่ย ถ้ายังมีของเราอยู่เนี่ยถ้าเป็นตัวกูอยู่เนี่ยถ้ามีอัตราเนี่ยใจของเราไม่วางนี่แหละมันมันอยู่แค่นี้ทำอย่างไรใจของเราจึงจะวางแต่ถ้าเราที่ว่าจะไปนั่งเปลี่ยนอริยบทอยู่เนี่ยแต่อยากจะดูให้ใจของตัวเองวางนี่หลวงพ่อว่ายากเพราะมันไม่สมดุลกันไม่สมดุลอย่างไงล่ะที่เขาตีมีดช่างมีดเขาเขาตีมีดเนี่ย เขาต้องเผาเหล็กแอบจะเอาเหล็กดิบๆเนี่ยมาทุบลงเป็นมีดเลยเนี่ยเอาไปฟันเลยมันจะเป๊ะมันจะเบี้ยวจะบิดไปนั่นแหละอ่านี่นายช่างตีมีดเขาก็ต้องซุปก่อนต้องเอาไปเผาเหล็กเผาเหล็กเนี่ยแดงแดงแล้วขาวนะแดงแล้วขาวที่มันความร้อนหลายองศาขึ้นเรื่อยๆเหล็กนั้นจะขาวเลยกายแดง เป็นข่าวเขาเอาอครีมเนี่ยคีบออกมาค้อนถะเดินเนี่ยหกปอนด์แปดปอนด์นั่นแหละตีลงไปทุบลงไปหลายๆคนทุบเปียงปังเปียงปั ง, ปงลงไปนั่นแหละเหมือนเขาจะทุบทิ้งเหมือนเขาจะทุบทิ้งเลยล่ะเขาไม่ห่วงเพราะว่ามันจะหักจะเพรก่อนให้มันหักไปเลยนั่นเขาตีเหมือนจเจาทิ้งออันนี้ก็เหมือนกันพวกเราเนี่ย เวลาเราสู้กับทุกขเวทนาก็เหมือนแบบนั้นแหละทั้งเผาเหล็กทั้งร้อนไฟทั้งถูกค้อนทะเนินลงเหมือนกันเลยอันนี้หลวงพ่อจะว่ามันสมบูรณ์มันสมบูรณ์ทั้งทุกทั้งเก็บทั้งปวดอุกอาจะว่ามันหมดทุกอย่างมันครบวงจรหลวงพ่อว่าก่อนที่มันจะเกิดจิตของเราก่อนที่มันจะวางเนี่ยมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้ชาตินี่เราเกิดมานี่เราก็เห็นความ อ, อดอยากแลือ ว, ว่าความสุขก็เกิดบ้างความทุกข์ก็เกิดบ้างอยู่นี่แหละสลับสบเปลี่ยนกันนี่นีแล้วก็คนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายปู่ย่าของเราก็ตายน้องของพวกเราก็เกิดขึ้นมาก็ตายอญาติของเราก็ตายมหาเศรษฐีเจ้าของนั่งที่ว่าห้างร้านต่างๆนะบางทีน่ โงรงพยาบาลอย่างที่ว่าอย่างอวานเนี่ยนะโงรงพยาบาลบาบาลหมอไพรโรดทำนองน้นะถ้าไปถามๆดูอาจจะหมดไปแล้วน ะ, ะหมอไพโรดนั่นทำนอง น, นี้แหละให้เราคิดเอามันเหลือแต่ซื่อถือจะเป็นหมอจบจากประเทศไหนก็ช่างที่เขาเก่งๆที่เขาทำที่ว่าการแพทย์เขาเก่งๆเนี่ย ประเทศเราก็แบบถ้ามีเงินเยอะๆก็ไปรักษาอะไรเยอระะมันเนี่ยพวกประเทศจีนประเทศเยอระะมันที่หมอเขาเก่งๆประเทศจีนประเทศอะไรที่เขาเก่งนะเขาก็ตายเหมือนกันพ่อแม่ที่ที่ว่าพ่อแม่หมอก็ตายในที่สุดหมอก็ต้องตายเนี่หละพระลาสามากษัตย์ก็ทิ้งรวางไว้ตายสวรรคคตไปเน่อันนี้ลหลายพวกเราคิดเอา พวกเราอยู่ในสถานะขนาดไหนเราจรึงจะไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้แหละหลวงพ่อว่าให้เราคิดแบบนี้อถ้าเกิดชาติหน้าเนี่ยมันเป็นรัฐที่อื่นมาปกครองซะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสินเห็ียรรทจะเกิดเป็นนิสสาธิธธิทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่บาปส่งเขาไปสวรรค์เนี่ยความอ่ กลุ่มบางกลุ่มนะบางลัทธินะเขาบอกว่าฆ่าสัตว์เนี่ยทรงวิ ญ, ญญาณเขาไปเกิดไหมถ้าเราไปข อ, อเอาชีวิตเขานะั่นไปฆ่าเขาให้เขาไปเกิดในสวรรค์เนี่ยเขาจะยอมให้เขาเราฆ่าไหมน่ให้เราคิดเอานะอันนี้ลหละการที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนนะหลวงพ่อเห็นศพของตัวเองเนี่ยเห็นกระดูกเต็มผืนแผ่นดินเนี่ย มันมองเห็นทั้งด้านหลังนะถ้าตาธรรมเกิดแล้วเนี่ยตาใจเกิดแล้วเนี่ยมันเห็นด้านหลังด้วยด้านข้างด้านหลังแต่มันอะสายตาของเราเนี่ยมองไปเนี่ยได้ไม่ไกลหรอกถ้ามองไปที่ว่าเออเลยรั่วเออกำแพงไปเนี่ยถนนเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะไม่รู้ว่าจำคนก็ไม่ได้นแต่ตาธรรมเนี่ยมองได้เป็นพันกิโล ด้านหลังด้านหน้ามองเห็นได้พร้อมกันหมดกระดูกเนี่ยเต็มพื้นแผ่นดินอยู่เลยของหลวงพ่อมีหอมเห็นแบบนั้นโอ้โหกระดูกเนี่ยมาเยอะแยะถึงขนาดนี้เป็นกระดูกของใครมาเต็มพื้นแผ่นดินอยู่นี่ตัวพระธรรมตอบขึ้นมาเลยว่ากระดูกที่มองเห็นเดียวนี้เป็นกระดูกของเราทั้งหมดที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์นี่หลายล้านเที่ยวที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่หลายแสนเที่ยว อ้าวท่อนยาวๆใหญ่ๆนี่เป็นกระดูกอะไรเนี่ยแปดแปดมื่นปีก็เคยเกิดกับเขาตอบแค่นี้แหละเกิดความเชื่อเลยกระดูกท่อนที่ว่าแปดหมื่นปีน่ยความยาวประมาณสมเมตรครึ่งความยาวนะกระดูกแขนกระดูกป้องแขนของเราท่อนเดียวเนี่ยยาวถึงขนาดนั้นอันนี้ของหลวงพ่ออันนี้แหละเห็นกระดูกของตัวเอง น้ำตาไหลโอ้โหที่เราเกิดชาติเดียวนี่ก็ทุกแบบนี้แล้วเราจะมาเกิดอีกทำไมมันร้องเลยใจอ่าใจมันร้องปากไม่ได้พูดหรอกมันนั่งสัตระตายแล้ว ม, มันพูดไม่ได้คือนั่งนิ่งเป็นต่อไปเลยในขณะนั้นนะแต่ใจมันพูดใจมันร้องนะมันเกิดความอศัศจรรย์ถ้ามันเห็นแบบนี้ เราก็คิดว่าเราเพิ่งจะมาเกิดชาตินี้แต่ส่วนมากนะไอห้หนุ่มๆสาวๆเนี่ยมนเกิดขึ้นมาแล้วก็ว่าเอาเกิดขึ้นมาชาติเดียวทำให้มันไปเลยเสิ่งไหนมันจะสนุกสะดวกสบายมันคิดแบบนี้นะผัวเขาก็ผัวเราเมียเขาก็เมียเราตายแล้วแล้วไปเขาว่าไม่ได้รับผลกรรมผลบุญเด็กบางคนเขาก็พูดว่าถ้าไปรักษาถ้าไปนับถือศาสนาเนี่ยมันมีบาป ไม่ต้องนับถือมันอยู่เฉยๆเขาว่าไม่ต้องไปนับถือพุทธศาสนามันมีบาปมันมีกรรมมีเวรมีสวรรค์นรกถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีมันว่าเด็กอันนี้คือมิจฉาทิฐิความเห็นผิดของเด็กสมัยใหม่ที่เขาไปเย่ยอเย่อยู่นั้นก็เหมือนกันนั่นแหละที่ไปเดินขบวนไล่ไม่มีสถาบันหนายหลวงไม่มีประโยชน์ เขาไม่เห็นคุณค่าของพระรา a ามหากษัตริย์ถ้าไม่มีพระรา a ามหากษัตริย์แทนดินของเราจะมาอยู่ที่นี่ได้ไหมนะไม่ได้อยู่พระนเรสวนมหาราชปกป้องแผนดินเนี่ยนะจนไม่มีเวลาจ ะ, ะได้พักผ่อนนั่นนะพระเจ้าตากสินว่าเหมือนกันทำสงครามลบแล้วลบอีกไม่รู้ว่าวันไหนที่จะได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ในวันจะอยู่มีความสุขก็ทงทำสงครามปกป้องพื้นแผ่นดินกอบกู้พื้นแผ่นดินนี่แหละให้เราคิดเอาอันนี้ละ่ะพระลาสามากษัตว์ที่ปกป้องพื้นแผ่นดินเนี่ยเวลาพระลาสามากษัตว์ไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมประเทศอื่นสมัยก่อนเนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าที่หกลาชการที่4ที่ห้าน่ ท่านไปสัมพันธไมตรีกับประเทศโซเวียตรัสเซียสมัยก่อนในประเทศรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจรัสเซียนี่เขาเป็นที่ว่าผู้ผลิตอาวุธอันดับหนึ่งของโลกรัสเซียแต่ก่อนนะแต่ทุกวันนี้เขาก็แตกสลายเ้าก็ อ, าอเมริกาก็ผลิตได้เยอะกว่าเขาแต่ก่อนคือรัสเซียเป็นหนึ่งในโลกสมัยก่อน ในสมัยน่ะในสมัยก่อนเมื่อเวลาเกิด อ, อาซาดาดตะวันตกจะมาแย่งเอาขืนแผ่นดินเราจะมาเอาเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเอาประเทศเราเนี่ยฝรั่งเศสจะเอาจากน้ำเจ้าพระยากลับมาภาคอีสาน อ, อังกฤษเขาจะเอาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย กลับไปทางพมา่าอ่ากลับไปทางทะเลกลับไปทางพมา่าคืออังกฤษเขาปกครองอินเดียพมา่าฝรั่งเศสเขาปกครองเลือบบคงแบบโค้งลาวเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเขาหมดแล้วเวียดนามลาวเนี่ยอ่าสมัยนั้นเขาจะแบ่งกันพอเขาจะลุกเอาตัวนี้แหละพระเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นสมัยรัชกาลที่สีที่ห้าเนี่ยก็ ให้ราสทูดของไทยเนี่ยไปกราบทูลพระเจ้าซาที่ประเทศอ่น่าละโซเวียตนะรัสเซียนั่นไปกราบทูลว่าประเทศไทยเนี่ยถูกอังกฤษกับฝรั่งเศสคุกคามแล้วนะพระเจ้าซาที่ฝรั่งทางโซเวียตมีกระแสรับสั่งไปเลยว่าอ้าวอังกฤษกับฝรั่งเศส ประเทศไทยเนี่ยคือพระสหายของเราพระเจ้าเจ้าของอประเทศไทยพระเจ้าของประเทศไทยคือพระสหายของเราถ้าพวกเธอลบกับสหายของเราก็ต้องลบกับเราด้วยอังกฤษก็กับฝรั่งเศสก็เลยถอยอันนี้แหะประเทศเราลอดจากไม่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งอังกฤษฝรั่งเศส ก็เพราะมีพระราซาอันนี้เด็กสมัยใหม่เขาไม่ได้เรียนเรื่องเหล่านี้เขาตัดออกหมดพระพุทธศาสนาก็ตัดออกหมดคุณของพระราซามหากษัตริย์ก็ตัดออกหมดเขาก็เห็นว่าพระราซาไม่มีคุณค่าใช้งบประมาณสิ้นเปลืองเด็กสมัยใหม่เขาก็เลยไปด่านายกไปด่านายหลวงรัชการที่เก้าท่านทําอะไรไว้บ้าง เขาก็ไม่ได้คิดผืนแผ่นดินเราเนี่ยถ้าไม่มีนายหลวงของพวกเรามาสร้างเขื่อนมาสร้างเขื่อนสร้างอะไรสารพัดนั่นแหล ะ, ะที่ท่านมาพัฒนาให้ประเทศชาติของเรามีอยู่มีกินเขาไม่เห็นเขาไม่ได้เห็นแบบนั้นเขาอยากจะเป็นคอมมิวนิสต์ทำนองนั่นแหล ะ, ะเด็กสมัยใหม่เขาอยากจะเป็นแบบประเทศลาว อยากจะเป็นแบบเวียดนามเขาอยากจะเป็นแบบนั้น อ, อันนี้ลหละถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมขาดความขาดศีลขาดธรรมแล้วก็ใจก็เป็นสัตว์ไม่มีความเคารพพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ทิ้งไม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่มีคุณพ่อแม่ไม่มีคุณต่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงแต่ตัวเองหากินแต่ตัวเองแต่มันเกิดมาจากไหนละ่ะมันไม่ได้ดู น้ำนมแม่เกิดมาจากหัวอกของพ่อของแม่นะั่นแรงงานพ่อแม่เงือแรงงานพ่อแม่กลัวลูกจะโตแต่ละคนเขาก็ไม่คิดถึงเด็กสมัยใหม่เขาไม่เห็นคุณของพระราชามาหากษัตริย์อันนี้แหละที่ว่าความหลงความหลงแต่ในที่สุดมันก็จะถูกจับไปสมัมมาาเหมือนกับลาวนั่นแหละลาวเนี่ยถูกเขาจับไปสัมมาาทิ้งเยอะ แต่คนลาวเดี๋ยวนี้เป็นใครล่ะเป็นคนเวียดนามอ่าคนลาวทุกวันนเป็นคนเวียดนา ม, มาอายุนั่นแหละคนลาวมันจะหมดแล้วนีมันเป็นแบบนั้นแต่เป็นประเทศลาวอยู่อ่าประเทศไทยของเราก็ต้องการแบบนั้นเด็กสมัยใหม่เนี่ยนี่แหละให้พวกเราคิดเอาอ่าอันนี้แหละเอาอพูดไปมันก็ไปอ่าเป็นเรื่องการเมืองไปละอ่าไม่ดีนะพูดไปแบบนี้เดี๋ยว เขามาลุมฆ่าหลวงพอ่อเด็กนักเรียนนักศึกษาเขามาลุมฆ่าหลวงพ่อนี่ไม่รู้ว่าจะลบนี้แหละไม่มีที่หลบแล้วน ะ, อ, ะอ้าวท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนให้พยายามพยายามทำความดีมีศีลมีธรรมแล้วก็ฝึกหัดให้จิตใจของพวกเราเนี่ล่หละให้มันเข้มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยให้มันเข้มขึ้นไปให้มันฮพสู้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รู้รมเหวียนทมทุกท่านทุกคนเถิด <c oughs>